กระที่โคมไฟมาเป็นแสงสว่างที่ปลายทางให้เรามองเห็นเราจะได้รู้ว่าชีวิตเราควรจะไปทางนี้แหละไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความทุกข์จากขั้วกิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าเราเป็นปัญญาธิกะท่านเดินมาโดยเน้นที่ปัญญาแล้วในความเป็นจริงแล้วการจะเข้าใจพระพุทธศาสนาเนี่ย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 ยังเป็นขั้นขั้นขึ้นไปทุกพระองค์งเต็มหมดบารมีเรืรนะนะ่องบารมีสามสิบทักเกิอย่างละสามสามสามนะบารมีสิบอย่างสิบคูณสามพระพเจ้าเราความสามารถสูงใช้เวลาสั้น <S <S บางคนก็เข้าใจว่าท่านบารมีน้อยนะเกิดมาในยุคที่แย่มากเลยคนก็อายุสั้นพระพุทธเจ้าบางพระองค์งเนี่ยเกิดในยุคที่คนอายุยืน แล้วก็ชีวิตสมบูรณ์ภูนสุขพระพุทธเจ้าของเราเลือกที่จะตรัสรู้นะในช่วงที่เลวสามที่สุดเลยที่ตกต่ำที่สุดแล้วคืหลุดจากนี้ไปจะไม่มีศาสนาท่านกะมาช้อนเอาสัตว์โลกที่น่าสงสารตาแป๋วแป๋ว่าไปน่าสงสารยิงบางคนไม่เข้าใจคิดว่าบา ร, รมีน้อยมังพุทธเจ้าองค์นี้อายุก็สั้นแค่80สิปี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 หายใจออกไปเรื่อยๆก็ถูกความทุกบีบคั้นต้องหายใจเข้าอีกเนะนี่ยมีแต่ความบีบคั้นเกิดขึ้นในกายในใจนี้ยุ่ตลอดเวลานะในจิตของเราเนี่ยถูกตันหาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถูกความอยากสังเกตดูใจของเราจะมีความอยากเกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลาเลยอยากในทางดีบ้างอยากในทางเลวบ้างนะอยากได้สุขบ้างอยากหนีทุกข์บ้างอยากได้ดีบ้างอยากหนีชั่วบ้าง